ก็วันนี้เป็นวันอุโบสถทางของพระของเนนของชีของวอัสสกวาสิกาผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในวตาตสงสารก็ต้องเข้าวัดต้องมาจำศีลอุโบสถสำหรับครือขัดนะนี่แหละเพราะว่า ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์เห้นภัยในวัตาสงสารนี่มันกดลงก่อมเมาก็เพลินอยู่กับบ้านกับช่องกับลูกกับล้านออยู่ไปอย่างนั้นแหละความไม่เห็นทุกข์เห้นภัยในสงสารเนี่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่นั้นให้พากันคิดให้มันเห็นพระพุเทธเจ้า พระองค์ก็ยังหนุ่มแน่นะอายุเพียงแค่ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นเองนะพระองค์ก็ยังทรงพระดำริว่าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไปเห็นเด็กเพิ่งแรกเกิดก็ยังทรงดาริเออคนเรานี่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายโหนแม้ตัวเรานี่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่จะยังหนุ่มแน่นอยู่นี้ตลอดไปหาไม่ได้ทำยังไงหนอถึงจะไม่เกิดถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อย่าเกิดเท่านั้นแหละเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปทำยังไงหนอเราถึงจะไม่ไม่ได้เกิดอีกต่อไปอย่างนี้ท่านผู้มีวาสนาบารมีฟัง คำดำริของพระ อ, องค์สิโคกิเลสนะปัญญาหยาบกลัวแต่จะไม่ได้เกิดอีกวันนี้น ะ, อ, ะอุ้ยถ้าไม่ได้เกิดอีกแล้วเขาจะไม่ทราบว่าอยาเอาอะไรมาเป็นมาสนุกสนานเพราะวะ่าอบางคนามาถามว่าพระนิพพานนั่นมีบ้านมีเมืองมีถนนมีรถยนต์ขี่ไหมเพราะว่านี่แหม มันแกล้งกันนะแบบนี้อยู่มานล้นเนี่ยถ้าไปมีอันมูนี่อยู่มันก็มีทุกอยู่ร่าไปสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกออก็จะพิจารณายา ก, กันเลยอ่ะในผลิพานมีแต่สุขล้นล้วนทุกน้อยหนึ่งก็ไม่มีเจือปนอยู่เลยออสุขในโลกนี่สุขเจืออยู่ด้วยทุกอ่าเราพิจารณาดูซิ พระพุทเจ้าทรงพระดำรีเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายมาแล้วแล้วก็ทรงดําเนิน อ, อถอนพระองค์ออกจากห่วงจากบวงอะไรในโลกสงสารอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวโลกได้เป็นอย่างดีไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ ทรงพระดำริอย่างนั้นแล้วกระจึงหาทางเสด็จออกบวชจนจนสำเร็จได้เพียงแต่ว่าเสด็จกลับจากสวนอุทยานไประหว่างทางมีผู้ทูลด้ทรงทราบว่าพระมเหสีประสูตรพระราชโอรสพระองค์หนึ่งแล้ว ในวันนั้นแหละเพราะองค์จึงได้ทรงเปล่งอุทานนะลาหูลังพันธ น, นังจิตตังห่วงบางเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราแล้วเราเลยเอาพระวาจาที่เปล่งของนั้นไปตั้งเป็นชื่อของพระราชาโอรสชื่อว่าลาหุน กุมาร น, นั่นแหละาหูรังในเปร่าวห่วงมัน เ, เป็นยงั้นแทนที่ว่าพระองค์ได้ทราบข่าวอย่างนั้นแล้วจะดีพระไทยปลิ่มพระไทยว่าได้ลูกแล้ว อ, อ, อย่างนี้ไม่เลยยังกลับเห็นว่านี่แหละบ่วงคล้องจิตค้องใจของมนุษย์เราให้ ค้างอยู่ในวัตาสงสารอันนี้อืข้าอธิบายขยายเนื้อความออกพอดีพระองค์และพารณาเห็นอย่างนั้นถ้าเกิดไปห่วงอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่พ้นจากวัตะทุกขอันนี้ออืเหตุ น, นั้นพระองค์เจ้าจึงได้เสด็จหนีออกบวชในคืนวันนั้นเลยเข้าใจว่าบุญบา ร, รมีนะกุณโดนบันดาลให้พระนางมา นางยโสธราหรือพิมพานอนหลับสนิททั้งพระาหุนกุ ม, มารพระมหาบุรุษเจ้าก่อนจ ะ, สะเสด็จลงจากปราสาทก็ทรงพระดำเนินไปยืนมองพระชายากับพระโอรสเสียก่อนแล้วก็จึงลงจากปราสาทไป ขึ้นมากันทะกะอัตวราชมนโนไมยสเสด็จนี้ออกไปบวชพระองค์สเสด็จนี้ไปบวชก็ไม่ได้เอาผ้ากงผ้าไกอะไรเลยไม่ได้มีผ้าไกติดตัวไปเลยด้วยบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตก็บันดานให้ พาคติการะมหาพรหมนำมาถวายภาไกลหนึ่งนั้นนะ<ม>คติการะมหาพรหมนี่ตั้งแต่สมัยแต่ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะชาตินั้นพระองค์เกิดในทรกุพลพรามแล้วก็ได้คติการะ อุบาสกนี้นะ่เป็นสหายเมื่อเมื่อเกิดในตระกูลพราหมณเนี่ยพร า, นะาม์เขาไม่นับถือพุทธศาสนามัเนี่มาเนี่ยก็ บ, บังเอิญมาได้เป็นเพื่อนเป็นสหายกับคติการะอุบาสกคติการะอุบาสกนั้นได้เป็นอนาคามีได้ฟังธรรมอุติเจ้าสําเร็จอนาคามีผล แต่ได้เลี้ยงแม่ตาบอดอเพื่อนก็ไปเอาดินเหนียวที่เขาขุดเขาอะไรทมท้องนาหมู่นั้นแหละตามเหมืองตามไฟเอาดินเหนียวเนยะมาปั้นหม้อปั้นเป็นหม้อแล้วเขาแล้วเอาตั้งไว้ขายให้ปเจ ก, กชนผู้ต้องการมาซื้อเอา แล้วก็เอาเงินนั่นไปซื้ออาหารมาเลี้ยงมารดาตาบอดอบัด น, นี้คติการละอุบาสตกนี่เห็นว่าสหายนี่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชาตินั่นมันชื่ออะไรก็ลืมซะแล้วแหละ เพื่อนคติการะอุบาสกนี่ชวนพระโพธิสัตว์นั่นไปพ่อพุ่ยเจ้าไม่ยอมไปทีแรกอครั้งที่สองก็ชวนอีกก็ไม่ไปครั้งที่สามนี่ไปอาบน้ําด้วยกันคติการะอุบาสกนี่ก็เอามือคว้าใส่ผมเปียคนสมัยก่อนนี่เพื่อนไว้ผมกันนี่คว้าใส่ผมเปียละ เรามาไปพ่อพระ้ทธิเจ้ากันเถิดว่างั้นคติกา่าไ อ, อ, อ, อพ่พระโพธิสัตว์นั่นนะก็คิดว่าแหมไอเจ้านี่นะมันคั่วใส่ผมของเรานี่คนธรรมดาสามันไม่กล้าที่จะมาจับผมเปียของเราแต่คติการะนี่มามาจับผมเปียเรานี่เรื่องนี้เห็นจะสำคัญนะ ไม่อย่างนั้นเพื่อนไม่ทำอย่างนี้หรอกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะพร า, ามคนนั้นนะ่ะก็เลยยอมไปกับคติการะอุปศก็กไปเฝ้าพุยเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาเลยอืม เขาเกิดศรัทธาเรื่อมใสามาขอบวชเลยไปยงานพระโพธิสัตว์นะใจเด็ดใจเดียวพองค์ก็บวชให้เลยใจธรรมดาพระโพธิสัตว์นั้นบวชแล้วจะทำอย่างไรอย่างไงก็ไม่ไม่ได้สำเร็จมากผลหรอกเพราะว่าคาความปรารถนาเพื่อเป็นการบวชตังสมบรมีให้แก่กล้าขึ้นไปต่ น, นั้นแหละ อย่างนั้นบัด น, นี้เมื่ออยู่ไปหมดอายุสังขารต่างองกันละโลกนี้ไปตามบุญตามกรรมอฏิการอุบาสกอนาคามีเมื่อตายแล้วเพื่อนก็ไปเกิดโทมโลกชั้นสุดทาวารนู่นบัด น, นี้เมื่อพิจารณาด้วยญาณก็รู้ได้ว่าสาหายของเรานี่ได้ปรารถนาเป็นโอทิตยเจ้าวันนี้ก็ บุญบา ร, รมีเต็มแล้วจึงได้เสด็จออกบวชสมควรที่เราจะต้องเอาผ้าไกลไปถวายคติการะมหาพรหมพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จึงนำผ้าไกลมาต่พรมโลกนู่นไม่ทราบไปเอามาจากไหนนะนิรเวศเอางือเอามาถวายพระมหาบุรุษเจ้า พระองค์รับเอาผ้าไกลาจากคติการะมหาพรมแล้วก็เอาพระขันตัดพระเกศาตัดพระเกศาโดยพระขันนั่นแล้วพระเกศานั่นก็ไม่งอกต่อไปอีกเลย ม, มีเท่าไรยาวเท่าไรสั้นเท่าไรก็อยู่อย่างนั้นฟังว่าปลายงอเข้าใส่กันเลยเป็นก้นหอยะ นั่นแหละผู้วิเศษในโลกเป็นอย่างนั้นอันคนนาวดาสามา น, นี่พอตัดออกไปแล้วมันก็งอขึ้นมายาวออกมาแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีบา ร, รมีเต็มแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนี่ปลายผมงอเป็นก้นหอยเข้าไปเลยอยู่อย่างนั้นจนตลอดเข้าสู่พระนิพพานนะ พระองค์ไม่ได้โกนผมเหมือนอย่างสาวกเลยอันนี้นะที่เล่าประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ฟังพอเป็นเครื่องพยุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทั้งนักบวชทั้งครึงหัดให้มีอุตสาหะ วิริยะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเราผู้บวชก็ดีก็บวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ผู้เป็นอุบัติกาก็าได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ข้อมรักษาศินห้าสินแปดท่ต่างคนต่างก็มองเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ก็เหตุว่าพระองค์นั้นได้สร้างบา ร, รมีมามากบา ร, รมีของพระองค์มากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ตัดทะรุด้ดยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนาสั่งสอนอย่างนี้นะพวกเรารู้ประวัติความปมาของพระองค์อย่างนี้แหละจึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้เชื่อมั่นว่าเป็นความจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเท็รไม่ใช่เป็นเรื่องปั้นแต่งเอาพุทโธใครจะมาแต่งเอาได้พระธรรมเทศนาแปดหมื่นสี่พันพระธะรรมขันน่ะมนุษย์ไดในโลกนี้จะมาแสดงได้มากมายเพราะนั้นไม่มีอันพระธรรมนี่แหละเป็นพยานหลักฐานายืนยันให้รู้ว่าพระพุเทธเจ้าได้ตัดรู้สิ้น จากอาสวะกิเลสตัญหาโดยสิ้นเชิงด้วยพระองค์เองจริงๆเพราะในสมัยนั้นไม่มีใครที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนพระองค์นะไม่มีเลยนะเนี่ยพระองค์เป็นองค์แรกที่สามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาไปธรราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากพระไทย ยังได้พูดอยู่บ่อยๆอยู่ว่าคนไทยเราเนี่ยมีปัญญามากพอได้สดับตับฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระธรรมสง่์แล้วจะนี่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าเออพระพุทธเจ้ามันเป็นผู้เสผย จ, จริงๆอืมพระธรรมที่พระองค์ตัดสรุแจ้งนั้นก็เป็นธรรมของจริงน่าศึกษาหน้าปฏิบัติตาม พระสงฆ์ผู้ปอกบวชปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนบัญญัติไว้นั้นท่านก็ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปกับศาสดามีอยู่มากมายจึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือจริงๆหมายความว่าคนไทยเรานี่นับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นที่พึ่งผู้ใด ไม่ไม่คิดว่าจะละกิเลสตัณหาเลยอย่างนี้เราไม่นับถือกันนะใครจะมาพนธนาว่าข้าเนี่ยเป็นผู้วิเศษแต่แล้วยังแสดงกิเลสอะไรต่ออะไรออกมาอยู่เนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่นับถือเลยสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์แสดงความเป็นผู้ ละกิเลสถาดจากฐนันยจริงๆเริ่มตั้งแต่เป็นพระมหากษัตริยังอีกเจ็ดวันสมบัตจิจักรพรรดิจะเกิดมีให้แก่พระองคุค้มทองคุ้มทองคำนี่นะลึกตั้งหลายเม็ดมันไม่ทราบกี่เม็ดก็ไม่รู้หรอกจำไม่แน่ กว่งกวงกัาก่วงหรือกเลกมีแต่ทองคําล้วนๆเลยเทวดาก็มาแจ้งข่าวให้ทรงทราบตอนสเสด็จออกบวชว่าคุมทองนะเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วนะเอะเท่านั้นเท่านี้นะไม่อดเลยอีกเจ็ดวันจักรพรรดิราชก็จะบังเกิดแก่ท่านท่านจะเสด็จออกไปบวชทําไมเชิญกลับไปเป็นจักรพรรดิราชดีกว่า พระองค์ก็ตอบเทวดาว่าฉันก็รู้แล้วฉันรู้ว่าขุมทองมีจริงจกักรพรรดิสมบัติก็จะเกิดมีกันเ้าจริงแต่เราไม่ต้องการเราต้องการตัทสลูสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่าเพื่อโปรดสัตว์โลกนี่พ้นจากทุกข์ภัยในสงสาร พระ อ, องค์ตรัสแก่เทวดานะั้นแล้วก็สเสด็จเลื่อยไปไม่ไม่หวนกลับพื้นหลังเลยอันนี้แหละจึงว่าน่าอัศจรรย์เมื่อพระ อ, องค์สระความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระมหากษัตริย์ออกไปบวชได้นี่นะมันน่าอัศจรรย์เพียงใดล่ะนนถ้าคนธรรมดาสามัญเราโอ้ยมันไม่มีทางมันจะสละออกไปนะั่นนะมันก็หวง บัรลังแล้ววะเพอพอมันยิ่งใหญ่นี้แถมยังได้รู้ข่าวว่าจะได้เป็นจกักรพรรดิราชครอบครองประเทศอยู่ทั้งสี่พุ่นพระั้นพระองค์ก็ไม่เอาไม่ต้องการเลยเนี่ยเราผู้เป็นนักบวชนี่ควรจะพิจารณาเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่เราเป็นอารมณ์ให้มากเราจะได้มีศรัทธามั่นคงเข้าไปในพรหมจรรย์นี้ ามาพิจารณาดูของเราตัวของเราเองอะ่ะมีสมบัติอะไรที่จะให้ห่วงให้ห่วงไม่เห็นมีอะไรอะ่ะถ้าไปเป็นครือหัสนี่ก็ต้องไปกลับพันทนแดดหาเงินหาทองแสนยากแสนลำบาก อ, อย่างนี้แล้วแล้วทำไมอะ่ะการบวชอยู่ในพุทธศาสนานี่ ไม่ได้กลักกรรมลำบากอะไรไม่ได้อาบเหงื่อต่างน้าไม่ได้กำพ้นทนแดดอะไรอยู่แต่ในล่มในเงา อ, อย่างนี้นะปานนั้นยังไม่ชอบนะนักบวชนี่คิดดูอะอนุภาพของกิเลสตัณหานี่เป็ น, นยัง้งแหละดังนั้นผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้มันก็ต้องยึดเอาพุทธประวัตินั้นมาเป็นอารมณ์ พรเราบวชอุทิตต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อเราไม่เอาพุทธประวัติมาเป็นอารมณ์แล้วกิเลสมันก็มาชวนให้เห็นดีเห็นงามไปในการคลองเรือนให้ยินดีให้พอใจไปในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขชั่วคราวดังกล่าวเคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วที่เใยว่าอมิตรสุข สุขอิงอาศัยสิ่งของซึ่งเป็นสุขชั่วคราวเมื่อสิ่งของเหล่านั้นหมดไปสิ้นไปความสุขก็หมดไปตามกันพระพุทธเจ้าทรงวินาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์ผู้มีปัญญาใหญ่จึงเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะสุขชั่วคราวประเดียวประดาวก็ดับไปมไม่ยังยืนเลยเลย นี่นะสู่ความสุขการทำใจสงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหาไม่ได้เลยนั่งภาวนาลงไปแล้วทำใจสงบระ ง, งับเป็นหนึ่งลงไปหมดห่วงหมดอะไรในโลกสงสารอันนี้เราเสนสบายจิตใจก็มีอิสระเสรีเต็มที่เลยมนันเป็นอย่างนั้น จิตสงบลงเป็นหนึ่งน่ละจิตมีอิสระให้เข้าใจไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรไม่ได้เสียใจดีใจไม่ได้เศร้าโศกกับอะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่เป็นสุขยังไงแล้วความสุขอย่างนี้แหละเป็นความสุขอันบริสุทธิ์สดใสไม่อิงอาศัยสิ่งของใดๆทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี่มันก็ไม่ได้อาศัย อาศัยก็เหมือนไม่อาศัยเพราะว่าไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของของตนเพียงของอาศัยโชคราวเท่านั้นเองดังนั้นแม้ร่างกายนี่มันวิบติมันแปรปรวนมันจะแตกกระดับจิตนี่มันก็ไม่ห่วงไม่หวงมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกเพราะว่ารู้แจ้งแล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัย่วคราวเท่านั้นเองอย่างนี้นะ เมื่อมันทอดอะไรในร่างกายนี้ได้มันก็ทอดอะไรในสิ่งภายนอกได้หมดเลยอืมมันก็สักแต่ว่าขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั่นนะหาได้สําคัญเราเป็นของตนไหมไม่มีแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้ได้ปฏิบัติตามคําสองุตติเจ้าหมายความว่าผู้ รักษาศีลในบริสุทธิ์อย่างนี้นะแล้วผู้เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นมีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจากสมาธินั่นเช่นนี้ก็ย่อมมองเห็นนับแต่แตร่างกายนี่แนหะออกไปไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเลยเรื่องนี้มันต้องมองเห็นด้วยปัญญามันจึงได้ ถ้าถ้าปัญญาไม่เกิดจากสมาธิแล้วถึงแม้มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ไม่สังเวชสลดไม่เบือ่อไม่ใดเห็นคนตายก็แล้วแล้วไปอย่างนั้นออคนนั้นตายแน้วนอเขาว ะ, ะแล้วก็แล้วไปเนี่ยสำหรับผู้มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เมื่อได้ทราบข่าวคนตายลงโอ้ ความเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะเกิดมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายอย่างนี้แหละมันไม่กีรังยั่งยืนอะไรโลกธานิวัติอะ น, นี้นะทำไมหนอถึงมาห่วงมาห่วงว่าเป็นของเราอยู่นี่การถือมั่นว่าเป็นของเราก็เป็นทุกข์แล้วงั้นผู้มีปัญญาเมื่อกำลีอย่าง น, นี้ก็ปงธรรมสังเวชลงแทนที่จะไปเฉยเมยหรือว่าแทนที่จะ ไปสังเวชสรลดใจกับเรื่องตายเหล่านั้นไม่มีมีแต่เห็นเป็นเรื่องธรรมดามเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อยังไม่ตายเนี่ยก็หาทางสนุกสนานเรื่อยไปอย่าไปเศร้าโศกมันเลยตัวงหาความสุขสนุกสนานไปแล้วตายแล้วแล้วไปนั่นแหละอำนาจของกิเลสตัณหามันเครือบอยู่ในจิตใจแล้ว มันไม่ให้กลัวทุกกลัวภัยในสงสารนี่เลยทันไปยัา ง, ง้านเรื่องมันนะเรื่องนี้จึงว่ามันพูดกันยากถ้ามันมองไม่เห็นด้วยใจของตนเองแล้วแม้ผู้อื่นพูดให้ฟังมันก็ไม่ไม่เห็นด้วยไม่เอาตามไปยัางไงาดังนั้นเราทาพุทธน่ะมันจึงได้ฟังธรรมะกันบ่อยๆฟังไปหลายครั้งหลายหน มันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นไปอ่มันค่อยรู้ค่อยฉลาดไปอย่างนี้เนี่ยอินทรีย์มันก็จึงค่อยเกกล้าขึ้นไปถ้าเราไม่มีการกระทําอย่างว่านี่นะอินทรีย์มันจะไม่แก่กล้าขึ้นไปง่ายๆเลยเอ่าเป็นไปงั้นการที่เรามารักษาศินอุโมโสด์การชั่วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะมันก็เป็นการเสียสลดสัดตัณหา ออกจากกิดใจได้พอสมควรแต่ละครั้งอ่ ะ, อะถ้าเราไม่รักษาอวสอชิตอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะไปเพิดเพลินมัวเมากับสังคมนู่นสังคมนี่ใจก็เพลินไปกับพักกับพวกกับเพื่อนกับฟุ้งไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมอะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ที่เรศัณหามันก็ไม่ได้เบาบาง ออกจากกิตใจเลยค่านี้มารักษาอโสถสินกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ลองประเมินผลของรู้สิตัญหามันบกเบาบางไปได้มากน้อยเท่าไรก็ให้มันรู้ได้ตนเองนะ่ะข้อนี้นะ่ะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกว่าตัญหามันเบาบางจา ก, กิตใจของตนไปมากน้อยเพียงใดไม่มีใครรู้ให้ได้ ตัวใครตัวเรานั่งภาวนาดูจิตตัวเองเอาให้มันรู้เมื่อรู้ว่าโอเรามาจำสินโอสน์นี่ตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็จะได้ปีติเ อ, อิบอิ่มใจขึ้นมาว่าไม่ไม่เสียผลไม่เสียประโยชน์ที่เราได้สละบ้านเรือนมา จำสินอยู่ในวัดในว่าชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้เราก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเพราะว่ามองเห็นกิเลสตันหนาะในหัวใจมันน้อยเบาบางไปไอ้อย่างนี้แหละมันต้องเห็นด้วยตนเองเรื่องนี้แหละจะให้ผู้อื่นพยากรณ์ให้ว่าคุณมารักษาสินแล้วคุณละกิเลสได้เท่านั้นเท่านี้นะ อย่างนี้นะอืผู้ใดพยายามกวนอย่างนั้นผู้นั้นก็เรียกว่าเดาเอาทางนั้นแหละเป็นนักเดาอ่ะที่เชิงหารู้แจ้งไม่มีแต่พระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเองนเลอรู้แจ้งจริตฤทธิ์ไสของคนอที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาคนเหล่านี้มีกิเลสเบาบางลงเท่านั้นเท่านี้พระองค์ก็รู้อันนั้นนะ อย่างนี้นะคนเหล่านี้มีกิเลสหนาแน่นอยู่ยังไงก็รู้อเปอย็ยงนันคนเหล่านี้พอจะสอนได้สอนในบนรรลุมรรคในในชาตินี้ก็ก็รู้อืคนเหล่านี้สอนอยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรรคในชาตินี้ก็ก็รู้อาเป็ยงั น, ง น, นเรื่องเรื่องงานความรู้ของพระพุทธเจ้านี่นะกลัวว่าพวกองค์จะรู้ได้อย่างนี้โอ้ย พระองค์สร้างบา ร, รมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับขน า, านับชาตินับภพบไม่ทวนนาไม่ใช่ว่าจะไปบังเกิดงานความรู้วิเศษเหล่านี้โดยง่ายไดไม่มีทางเลยท่านรู้ไม่ได้พระสาวากสมัยปัจจุบันมันก็มีพยากรณ ก, กันอยู่เป็นบางหมู่บางพวก เออว่าคุณภาวนานี่ได้ถึงขั้นนั่นแล้วได้ถึงขั้นนี้แล้วอย่างนี้นะมันมีอยู่บางพวกทุกวันนี่นะแต่เท่าพิจี่นาเท่าที่พิจา่นาดูแล้วมีแต่เรื่องเดาเดาเอาทั้งนั้นแหละอืมดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปเดาต้องแนะนําสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเอง อย่างนี้นะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คนเรารู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นก็คืออริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นแหละไม่ใช่ว่าทรงสอนในว่าให้ไปรู้เทวดาอินพรหมให้ไปรู้พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆพระองค์ไม่ได้นิยมอย่างนั้นไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นนิทรงสอนในเจริญสมาธิ ให้ตั้งลงไปด้วยดีแล้วก็จเจริญปัญญ า, าพิจารณาอริยสัจจะทำทั้งสีน่นี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจของตนให้ได้ตนเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตนมีความทุกข์อะไรบ้างอย่างนี้นะทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์าถามตัวเองเข้าไปอ่ะถ้ามันตอบตัวเองว่าไม่ทุกข์สบายมากนี่ผิดทางอืม มันจะสบายตรงไหนร่างกายอันนี้เยียวยาอยู่ทุกวันทุกวันมันยังพออยู่ได้มาเนี่การแสวงหาอาหารมาเยียวยาร่างกายนี่ไม่ใช่มัน ง, ง่ายเมื่อไหร่แล้วคนบุญน้อยแทบจะหาเงินมาซื้ออาหารยาใส่ก็ไม่ได้เลยออทั้งที่รับจ้างเขาวันยังค่อได้เงินไปสี่สิบห้สิบหรือว่าร้อยหนึ่ง อย่างนี้ไอ้ลูกไม่ทางหลังกับลูกหลายคนเข้าไปเงินเพียงร้อยเดียวสมัยปัจจุบันนะซื้ออาหารมาเลี้ยงกันก็แทบจะไม่พอรับประทานอย่างนี้ยังไม่เห็นทุกข์อยู่นะคนผู้หลงผู้เมาอ่ะเป็นอย่างนี้แหละถ้ายิ่งมีเงินมีทองขึ้นมามากกว่านั้นยิ่งหลงใหญ่สําคัญว่ามีความสุขหลายออถ้ามีเงินเป็นถุงเป็นถังเข้าไปยิ่งแล้วเลย ยิ่งเพลินยิ่งเมาบางรายก็หลงลาบหลงยศมีเงินมีทองมาแล้วก็มาหน้าทิฏฐิในก็แก่กล้าโทสา พ, พยาบาทอะไรก็หนาแน่นอ่าใครมาขัดขวางทางเดินขุนศนนเอา้าวจ้างมือพื้นไปฆ่ามันลงไปอ่าอย่างนี้นะในนี้ บ, บางคนก็กรรมตามสนองวัติุวันเอาถูกเขาฆ่ า, าตัวตายลงไป มีเงินทองเป็นหลายร้อยล้านก็ไม่ได้ส่วยผลตายเสียก่อนอย่างนี้คนหลงคนเมาเนะ่ะเรียกว่าตายเพราะราบเพราะหลงลาบหลงยศหรงสรรเสริญเยินโยหลงความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะมีเยอะแยะเลยอืมเพราะฉะนั้นการผู้ที่มาปฏิบัติธรรมภาวนานะเาพ่ะพิจารณาเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ยทั้งนักบวชทั้งครือขัด อา้าเห็นทุกข์แล้วทำยังไงมันมันได้มาเกิดในโลกนี้แล้วจะทำยังไงอา้าททำยังไงทุกข์มันมีสองอย่างทุกกายหนึ่งทุกใจหนึ่งี่ไอ้ทุกข์กายนั่นเนี่ยมันแก้ไม่ตกต้องแยกออกจะบาลุงบําเรอมันยังไงยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็วิบัติมันก็ชุดโทมไปอยู่อย่างนั้น ส่วนทุกใจนี่น่ะเราสามารถบำบัดทุกทางใจได้นี่เมื่อเรารักษาศีลในบริสุทธิ์ไม่สร้างบาปให้เกิดมีในจิตใจใจก็ไม่เศร้าหมองขุนมัวเมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปใจสงบระ ง, งับจากนิวรณ์ห้าลงไปอย่างนี้น ะ, ะจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงจาก ความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆแต่ก่อนมานี่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมากลายมาเป็นใจสงบเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรแนละ้ววันนี้นะความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปอย่างนี้นะแต่แต่ลำพังําใจสงบนี่ความทุกข์ทางใจมันก็เพียงระงับไปชั่วคราวเท่านั้นต่อเมื่อได้เจริญปัญญา อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยพิจารณาทุกให้เห็นทุกทมเป็นจริงแล้วมาสรุปลงว่าทุกกายนี่กายนี่มันเกิดมาแล้วมันถ้าเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงอเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็แปรปรวนมันก็มั่นไหวเหตุที่มันแปรปวนหั่นไหวก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใคร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราสิจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ น, ะนั่นแหละเมื่อเจริญปัญญาพี่ น, าน้าแยกกายแยกจิดออกจากกันอย่างนี้ลองดูแล้วมันก็พอเห็นลู่ทางอโ อ, โ อ, โอจิตนี่สำสำหรับจิตแล้วสามารถฝึกให้คลายทุกข์คลายยากได้แต่ร่างกายนี้อยฝึกอย่างไงยังไงมันก็ไม่พ้นก็ตามเรื่องพวกนันเพราะว่ากาย กับจิตนี่จิตสําคัญกว่ากายกายนี่มันแตกดับทําลายลงแล้วก็กองอยู่พื้นดินแต่จิตนี่ีเมื่อละจากร่างอันนี้แล้วมันก็ต้องไปตามกรรมถ้าทํากรรมดีไว้กรรมดีก็ น, นําไปเกิดที่สุขสบายถ้าทากรรมชั่วกรรมชั่วก็ น, นําไปเกิดที่ทุกข์ยากลําบากถ้าท่านภูรัตกรรมชั่วได้เสียหมด ทำกรรมดีให้เต็มบริบูรณ์แล้วเช่นนี้กรรมดีคือบุญกุศลกับกรรมจัดอาชวิกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือคราวนี้แหละเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจนี่เป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยฮะนี่จิตดวงนี้ถ้ากิเลสไม่มีผัวพันอยู่นี่แล้วมันก็สงบมันก็สุขมันก็สว่าง ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยนี่นะจิตนี้จึงว่าสามารถทำให้เป็นสุขสงบได้ส่วนร่างกายนี่เราไม่สามารถจะไปอุป ร, รมบารุงเยียวยาปนเปื้ออะไรให้มันตั้งมั่นถาวร อ, อยู่ตลอดไปไม่ได้เลยนี่ก็ขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ มองเห็นรูเห็นทางได้อยู่ไม่ใช่เหรออ๋อถ้าอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่่าไปปล่อยให้จิตตัวเองเลื่อนลอยไปยึดโน่นถือนี่อะไรอยู่ไม่สงบระ ง, งับเลยอย่างนี้นะมันก็เรียกว่าเป็นความประมาทกับตัวเองนี่เดียมไม่รักตัวเองแบบนั้นนะ่ะ ไม่ต้องการให้ตนมีความสุขอันถาวรปล่อยให้จิตให้ไปยึดเอาสิ่งที่น่ารักให้พอใจทั้งานในโลกพอได้เป็นสุขไปชั่วคราวอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าไม่ใช่ผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าผู้เดินตามทางของพระพุทธเจ้า อพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็ดําเนินตามรอยบาทของพระศาสดาอย่างนี้แหละอ่าพระองค์นั่งสมาธิภาวนาเราก็นั่งสมาธิภาวนาลงไปพระองค์เจริญอนาปานสติเราก็เจริญเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปเกาะไปคล้องสิ่งอื่นใดาภายนอกเลย ดูแต่ลมเข้าลมออกนี่อยู่ก็เหลือกินแล้วนะลองคิดดูสิหายใจเข้าไปแล้วถ้าไม่ออกมาก็ตายไม่ใช่เหรอนมหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่เหลือเป็นเช่นนี้นะแล้วชีวิตเนี่ยคือกายกับจิตนี่นะอาศัยลมหายใจเข้าออกล้วนี้เป็น สั ญ, ญลักษ์เครื่องหมายว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นเอง้าพอลมหายใจนี่มันติดขัดเข้าไปแล้วทุกคนก็ย่อมรู้สึกแล้วว่ามีแต่ตายลูกเดียวถ้าลมไม่เดินแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอะนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการเพ่งลมหายใจก็ออกนี่เมื่อเพ่งด้วยอุบาย อย่างว่านี้นะมันก็ได้ความสังเวชสนดใจได้ความเบื่อหน่ายในชีวิตอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี้ชีวิตอันนี้อาศัยแต่ลมเข้าลมออกนี่เป็นเครื่องหมายว่ายังมียังมีอยู่เรียกว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหวใจในลมหายใจนี่ตลอดไปได้หรือเมื่อร่างกายส่วนใหญ่ มันวิบัตรลงไปแล้วอย่างนี้ลมหายใจก็เดินไม่สะดวกแล้ววันนี้หายใจก็ขัดขัดพืดพืดเข้าไปบางทีก็หายใจไม่เต็มไม่อิ่มเลยอ่สูบลมเข้าไปเท่าไรก็ไม่อิ่มอย่างงี้นะนั่นแหละเป็นเช่นนี้มันก็รู้แล้วว่ามันใกล้ต่อตายแล้วก็มันเป็นอยู่นี่แะชีวิตนะ เรามาพิจารณากันด้วยปัญญาให้มันมองเห็นได้ชัดๆลงไปแล้ววันนี่มันก็จะไม่สงสัยในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องความเป็นคนนี่นะอะมันก็ทิ้นสงสัยอความเป็นคนนี่มันโดยสมมุติเท่านั้นเองสมมุติว่าคนว่าสัตว์สมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุนม ซึ่งมีบุญกรรมตกแต่งให้นี่ว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้นะสมมุตินี่ธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันถูกบุญกรรมปรุงแต่งขึ้นมาแล้วบุญกรรมมันที่พรุงแต่งธาตุทั้งสี่อันนี้ให้ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงบุญกรรมแล้วมันก็ไม่เที่ยงเอ มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็รักษาบุญกรรมอันนั้นนะ่ะบุญกรรมที่ทํำมาไต่ก่อนนะรักษายังไม่ให้แตกทําลายไปก่อนคันพอมันบุญกรรมอั น, นั้นหมดลงนี่รูปนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะแต่ต้องแตกทําลายลงอันนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นย่อมเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งรูปร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแล้วแล้วจะให้รูปร่างกายนี่มันเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะ น, ะนั่นแหละภาพิีรณาดูให้มันเห็นอย่างนี้ แล้วเราจะได้สิ้นสงสัยในชีวิตนี่เอา้าทำไมยึงเป็นอย่างนี้โหนออย่างนี้นะเราจะไม่ได้วิตกเลยท้าพินาเห็นด้วยปัญญาอย่างว่านี่นะเอเราจะได้กําหนดรู้ว่าเมื่อร่างกายมันสุดโทรมลงไปมากเข้าไปแล้วโอ้นี่บุญบาปที่ทํามาแต่ก่อ น, น, นมันหมดอายุมันลงแล้วหมดแล้วอืมรูปนี้นะมันจึงจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้ เราก็รู้ชัดในใจเลยครับพอเราได้ฟังคําสองมุสลิมเจ้ามาเอ่อบรั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องไปไหวเทวดาลงเทวดาอินพรหมอะไรให้มาช่วยชีวิตให้อยู่ยั่งยืนนานอย่างเงี้ไม่จําเป็นนะให้ช่วยไม่ได้แต่เทวดาก็ยังจุติได้อินพรหมหมดบุญแล้วก็จุติเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ในพรหมโลกนั่นตลอดไปอะ่ะอไปอย่างนั้น พากันเจริญปัญญาอย่าไปนั่งภาวนาอย่ามีแต่จิตเฉยๆอยู่อย่างนั้นนั่งไปนั่งมาเก็ง่วงไปง่วงมาก็นั่งหลับนั่งฝันอยู่คนไม่ได้ใช้ปัญญานอนหนึ่งก็ว่าตนได้ภาวนาแล้วก่อนเลิกไออย่างนี้มันจะภาวนาไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่รู้อะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะ เหตุนั้นต้องหัดคิดหัดพิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดดังกล่าวมาแล้วนั้นเท่าที่บรรยายมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้